ภูมิของพระอริยะบุคคลสุดทาวาดหาคืออวิหาอตตปา่ส า, ส า, สาสุทธาสสุทธัสีอาการนิฐาพวกนี้เป็นรูปประพรมสุดทาวาดหเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีมนุษย์ที่สำเร็จอริยะบุคคลขั้นอนาคามีตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นพรหมในสุดทาวาดหชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วก็บาเพ็ญเพียรอยู่นั่น สำเร็จอรหันอยู่นั่นไม่ต้องลงมาเกิดอีกพระโสดาบันพระสกทาคามีมาเกิดชาติหนึ่งสองชาติสมชาติสี่ชาติถึงเจชาติพระอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนางวิสาขาท่านเหล่านี้มีบารมีพอสำเร็จพระอรหันได้แต่ไปคล้องอยู่ตรงที่ปรารถนาเป็นอุปัถาพระพุทธเจ้าครบห้าพระองค์ ตั้งแต่พระกะกุสันโธโกนาคมาโนกัสสโโปโคตมโม อ, อริยะเมตรยโยมาเป็นอุปถาพระสีอริยเมตรัยแล้จึงได้สาเร็จอรหันตอนนี้ท่านพักรออยู่ที่ชั้นดุสิตพระนางสิริมหามายาอยู่ชั้นดุสิตแต่ตอนพระพุทธเจ้าไปเทศโปรดทรงเทศที่ชั้นดาวดึงเพื่อให้พระมารดาเสด็จจากชั้นดุสิต มาฝั่งเทศที่ชั้นดาวดึงเพื่อจะให้เกิดบุญเกิดกุศลมากขึ้นจากนั้นจึงกลับคืนสู่ชั้นดุสิตชั้นดุสิตยังเป็นกามาวจรแต่เป็นทิพส่วนผู้ที่ละกามราคะแล้วเป็นพระอนาคามี